ตามหลักทศพิธราชธรรมอีกเรื่องที่คิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราด้วยนั่นคือทศพิธราชธรรมก็มี10บประการซึ่งหลายข้อก็ไปซ้ำกับ1ิบข้อที่เราได้ประมวลเอาไว้ในลักษณะที่ทรงมีพระราชกรณียกิจให้เราได้เห็นเพื่อให้เราได้ทำตาม แต่ทศพิตราชธรรมได้ถูกกำหนดมาตั้งแต่ดึกดำบันแล้วว่าเป็นหลักของพระราชาของพระมหากษัตริย์เราในฐานะผู้ที่รับงานของราชามานั้นก็ต้องปฏิบัติตามทศพิตรราชาธรรมด้วยข้อที่หนึ่งคือทานคือการให้ให้ทานให้เพื่อให้ ไม่ต้องหวังประโยชน์ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นข้อที่สองคือศีลคือถือศีลอย่างน้อยศีลห้าต้องถือไว้ศีลห้านี่แหละคือ globalization หรือโลกาภิวัตที่แท้สาคลนจริงๆไม่มีประเทศไหนในโลกสอนให้ฆ่าสอนให้โกหกแต่คำว่า g l o b a l i z e ที่เราตำตามเขานะ่ะ ไม่ใช่แล้วก็หลงไปในตัวอำนาจของโลกด้วยแล้วเราก็ถูกเหยียบย่ำตลอดเวลาแล้วเราก็บอกว่าเสรีเสรีภายใต้คนที่มีร่างกายแข็งแรงพลังอำนาจแข็งแรงที่สุดฉันไม่เอากุ้งไทยเพราะกุ้งไทยนั้นทำให้เต่าตายเต่าตายบ้าอะไรเราเลี้ยงกุ้งในนากุ้งไม่ใช่ไปจับเต่าทะเลที่ไหนแต่ฉันจะเอาอย่างเนี้ยจะทายัางไง นี่คือเสรีภายใต้การนำของมหาอำนาจอย่าหลงกลและเหอฝรั่งเสรีสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันอ้างมามีสินค้าอะไรอีกต่อไปศตวรรษที่21ถ้าใครมีอายุข้ามไปอีกศตวรรษต้องเจอเหตุการณ์ที่ยุ่งยากที่สุดยากกว่าปัจจุบันหรือยากกว่าศตวรรษที่แล้วกว่าหลายเท่าอย่างผู้ว่าราชการจังหวัดยุคนี้ เป็นยุคที่ทำงานลำบากที่สุดกรอบต่างๆถูกเปลี่ยนใหม่หมดรัฐธรรมนูญต้องถูกตีความกันทุกวันหลักการปฏิบัติต้องเปลี่ยนใหม่หมดการตรวจสอบจากประชาชนจะถูกหรือไม่ถูกมีมากมายก่กองทำงานลำบากมากต้องปรับตัวปรับบทบาทเสียตั้งแต่วันนี้ถ้าท่านไม่เปิดเขาจะมากระชากประตูหัวใจมันเปิดเอง แล้ววันนั้นหัวใจท่านก็จะหลุดไปด้วยเพราะฉะนั้นรีบเปิดซะ ก, ก่อนเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้พร้อมที่จ ะ, ะเผชิญศตวรรษที่21่อข้อที่3ปบริจาคคือการบริจาคในสิ่งที่ได้ประโยชน์น้อยไปสู่ประโยชน์มาก รับสั่งสอนไว้ทำอะไรก็ต้องให้มันได้กลับมาคุ้มทุนคุ้มค่ามากกว่าข้อที่สอาชวะคือความซื่อตรงยึดเอาไว้ใครทำผิดนะไม่รอดหรอกอย่างน้อยนอนผวานอนไม่หลับ เผชิญหน้ากับใครศบตากับใครก็ไม่สนิทข้อที่5มัทวะคืออัธยาศัยอ่อนโยนเรียบร้อยน่ารักข้อที่6ตบะคือความเพียรต้องเพียรและให้สำเร็จด้วย เวลามีปัญหาอะไรร่วมมือเลยของยากๆเอาชนะให้ได้ไม่ใช่เจอปัญหาก็ไปก่อนแล้วนะพวกเองทำกันเถอะแล้วทำเสร็จเมื่อไรไปตามกลับมาก็แล้วกันกระโดดเข้าใส่มันฝึกให้ชินแล้วก็ท้าทายความสามารถของตัวเองข้อที่7อักโกทะ คือไม่โกรธพระเจ้าอยู่หัวนี่ไม่เคยทรงโกรธผมไม่เคยเห็นพระองค์ท่านทรงโกรธใครสภาพคนในสังคมเนี้ยจะให้ดีร้อยเปอร์เซนไม่มีหรอกก็มีคละเคล้าไปอย่างนี้พระองค์ท่านรับสั่งเอาไว้ว่าทำอย่างไรให้อยู่ร่วมกันได้โดยเขาไม่ไปทาร้ายสังคมมากไปกว่านี้ขีดวงให้คนชั่วอยู่แต่ไม่ได้ฆ่าก็มีโอกาสหมดได้ ข้อที่8อวิิงสาคือความการุณาไม่เบียดเบียนผู้อื่นข้อที่9ขันติมีความอดทนอดกลั้นทั้งกายวาจาควบคุมให้ได้ข้อที่10อวิโรธนะต้องยึดมั่นในประเพณี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดมั่นในคัตยะประเพณีและตั้งมั่นในความยุติธรรมทรงเน้นให้คนไทยมีความสํานึกในความเป็นชาติไทยในขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของชาติอยู่เสมอธรรมเนียมประเพณีใดที่ทรงเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจิตใจประชาชนและเป็นการรักษาสิ่งดีงามจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รื้อฟื้น ผมขอขยายความเห็นส่วนตัวเพิ่มเติมเราเป็นคนไทยหูมมใจในความเป็นไทยไว้ทุกอย่างที่เป็นไทยมีค่าทั้งสิน้นฝรั่งมังค่าตั้งแต่อาหารเนี่ยรู้สึกเขาชื่นชมมากกว่าเราซะอีกกินข้าวแกงอร่อยๆแฮมเบอร์เกอร์ก็แดกกันเข้าไปเพราะว่าลักษณะจะไปบอกกินรับประทานอาหารมันก็ไม่เหมาะสมก็งับกล่วมเข้าไป ทะลักออกมาทั้งสองข้างต้องใช้คำว่าแดกเหมาะสมแล้วไม่ได้เป็นคำหยาบคายอะไรเลยข้าวแกงเนี่ยภูมิปัญญาคนไทยแค่ไหนอาหารห้าหมูอยู่ในจานครบหมดเสร็จแล้วเครื่องผสมนี่สมุนไพรอีกตั้งกี่สิบอย่างไม่รู้มันต้องรินออกมาผสมผสานกันในสัสดส่วนแค่นี้ก็เป็นเขียวหวาน ออกมาเป็นแกงแดงแกงส้มแล้วแต่ภูมิปัญญาสูงแค่ไหนมีอาหารที่ไหนไหมในโลกที่ในคำเดียวมีหถึง6รสอาหารฝรั่งไปทางเดียวเลยมีเค็มเป็นหลักเค็มและอะไรก็ไม่รู้อาหารจีนจืดกี่จานกี่จานมาเหมือนกันหมดเมื่อกลางวันนี้ขนมจีนตักแกงราดไป ให้ตั้งจิตไว้เราอยากกินเพลินๆไปตั้งจิตกัดกลุ่มขนมจีนนิ่มๆนุ่มๆกัดอีกร่วมเจอเนื้อกัดอีกร่วมมีมะเขือมีรสขมออกมาผสมผสานกับความเผ็ดเค็มความหวานเดิมแม้มันสนุกจริงๆตอนนี้แม้กระทั่งการกินก็ขอให้สติอยู่ที่ปากสติอยู่ที่ปากสนุกสนานเป็นอย่างมากเลย ศิลปะภูมิปัญญาของไทยทำไมสูงอะไรเช่นนั้นแฮมเบอร์เกอร์กัดกลุ้มไปติดแป้งเนื้อใหญ่แยกลุมกลุมกลืนรีบกระเดือกอย่างรวดเร็วเพราะมันไม่มีความอร่อยอะไรเหลืออยู่รีบกลืนกลืนซะแล้วรีบไปฟาสต์ฟู้ดแดกด่วนชื่อเขาก็บอกแล้ว น้ำพริกของเราเนี่ยมีแป้งมีปลามีทุกอย่างผสมกัดไปแต่ละคำมีรสนั้นฉีดออกไปรสนี้ฉีดออกมาลองใช้สติเข้าไปจับแล้วจะเห็นคุณค่าเวลานี้ร้านอาหารจีนแถวยุโรปปลดป้ายลงหมดเลยบางทีกุ๊กไม่ได้เปลี่ยนหรอกยกป้ายอาหารไทยเป็นไทยฟู้ดขึ้นแทน ตอนที่เขาจัดเอเชียแบ็กทูเบสิกเชิญคุณอนันต์ปัญญารชุนเชิญปราดในภูมิภาคนี้มาพูดผลสุดท้ายอะไรก็เหมือนวัฏจักรสูงสุดและมาประสบข้อเท็จจริงว่าแท้ที่จริงคือเบสิกเคยทำงานร่ำรวยกันมาผลสุดท้ายต้องมีบ้านต่างจังหวัดที่จริงมาจากต่างจังหวัดจะทำงานร่ำรวยอย่างไรบอกต้องกลับต่างจังหวัดเหนื่อยฟรี ชีวิตทั้งชีวิตถ้าอยู่ต่างจังหวัดซะก็สิ้นเรื่องมีกระตูนผมไปเห็นเข้าเป็นช่องๆ ช, ช่องแรกมีคนใส่เสื้อขาดปุกปากนั่งตกปลาอยู่ช่องที่สองมีรถคัดดิแลคแล่นมามีเศรษฐีแต่งตัวโก้เชียวมีเครื่องตกปลาอะไรต่ออะไรสะพายมามีคนหิ้วเสร็จ ลงจากรถในช่องถัดไปมานั่งตกปลาข้างๆกับคนจนที่ตกปลาแล้วเริ่มคุยกันแล้วก็ถามเด็กๆ เ, เนี่ยไม่เคยเรียนหนังสือใช่ไหมใช่ไม่เคยเรียนเรียนไปทำไมเศรษฐีบอกเรียนเสร็จได้งานดีๆคนเสื้อขาดถามได้งานดีๆแล้วไงต่อเศรษฐีก็บอก ก็ได้งานดีๆเสร็จก็มีตำแหน่งสูงๆแล้วก็ได้เงินเดือนเยอะๆแล้วไงก็ร่ำรวยร่ำรวยแล้วจะได้มีเวลามานั่งตกปลาอย่างนี้ไงคนเสื้อขาดบอกก็ไม่เห็นต้องเหนื่อยอย่างนั้นเพราะเนี่ยนั่งตกปลามาตลอดเลยที่คนจนเขาตอบมานี่คือปรชัชญาผลสุดท้ายเห็นไหมครับ สัจธรรมจริงๆคือความสุขพอหวังสูงจะเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแท้ในใจและดูงดาวไม่ใช่คำตอที่ต้องการกลับมาเองกายสบลงแนบอุ่นไอดิ้งสู่ความเคยชิน เราเคยล้องลืมไปนาก็จะรู้ว่าพืพ้น ด, ดินดท้องฟ้าหน้าบ้านโรานั้นที่เป็นของสำคัญเกินสิ่งใดใดอยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดี